สำรวจค่ายออกค่ายแถบจังหวัดชายภูมิก็มาขึ้นมาบนหลังเขาตรงนี้ก็มีมีพัฒนากรที่อำเภอแก้งคอพามาผ่านแถบหน้าวัดป่าสุโกโตแต่ไม่ได้เข้าวัดนะก็เคยได้ยินชื่อเสียงพระอาจารย์เภสาน ร, รู้ว่าท่านอยู่ที่วัดป่าสุโกโตก็ได้ผ่านก็จำได้ พัฒนากรก็บอกว่าแต่พัฒนากรนะตอนนั้นท่านไม่รู้จักอาจารย์เพริศาแต่ท่านรู้จักหลวงพ่อคำเขียนนะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยมีหลวงพ่อคำเขียนนะอยู่ที่วัดนะบอกว่าเป็นพระปฏิบัติดนะีปฏิบัติชอบ เ, อเราก็ได้ยินเช่นนั้นอ้อสุกโตนี่ก็ดีเนาะมีทั้งหลวงพ่อคำเขียนมีทั้งอาจารย์เพริศานะ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 แล้วก็ได้มากราบหลวงพ่อที่ที่คุติคุติที่บ้านท่ามที่วัดผูกขอทองตัว น, นี้แหละคุติหลังที่ตั้งเสด ร, ระหลวงพ่อเนี่ยแหละแต่แต่ก่อนยังไม่มีการขยายด้านหน้านะเราไม่ได้ขยายด้านข้างเขากราบหลวงพ่อแล้วก็ได้คุยกับท่านเขารู้สึกถึงถึงความใจดีนะรู้สึกอบอุ่นเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง ก็ได้บอกท่านว่าออจะบวชจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่วัดป่าสุกโ ต, โตได้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าได้ได้ดีดีดนะมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันเออขายัางจำจำสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้ตั้งแต่สิบสี่ปีก่อนออท่านบอกว่ามาได้ได้ไดนะมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันก็ไม่คาดคิดว่า จะได้มาอยู่กับท่านนานขนาดนี้นหรือจะได้ช่วยท่านบ้างนะไม่คิดว่าจะได้ชีวิตนี้จะได้ทำเช่นนี้แต่ที่จริงถ้าจะว่าไปจริงก็ไม่ได้ช่วยท่านอะไรมากหรอกที่จริงท่านนั่นแหละเป็นคนช่วยกับผมหรือว่าช่วยอาตมามากกว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตก็จะไม่รู้จัก สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนะที่ว่าสองพ่อสอนให้เราได้รู้จักกับความรู้สึกตัวรู้จักกับตัวเองนะแต่ก่อนเคยเที่ยวตามหาความหมายของชีวิตตามหาความหมายแห่งตัวตนจริงๆนะแต่จริงมันหาความหมายจากความคิดนะอ่านหนังสือแล้วก็คิดแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจนะแต่พอเจอปัญหา ก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอยู่แต่พอมาทำความรู้สึกตัวนามาฝึกสติอ๋อการรู้ตัวที่จริงตัวเราก็มีอยู่แล้วเนาะมีกายอ่ามีใจมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจของเราเลยเราไปอยู่ในโลกของความคิดนะคิดนั่นคิดนี่นะสุกข์ทุกข์อยู่ดั้ไป แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยเออมาทําให้เราอยู่นะเป็นผู้ดูดูกายออดูกายเขาเคลื่อนไหวดูใจเขาคิดนึกนะเมื่อได้รู้จักกับความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกมันเป็นมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะทําให้ก็ออคิดว่าธรรมะเนี่ยมันมีอะไรดีมากมายเนาะก็น่าจะศึกษามาเรื่อยๆนะศึกษามาเรื่อย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 อย่าได้วังว่าจะช่วยท่านเพราะท่านจะทำเองทุกอย่างนะทำงานทำการเนี่ยนะท่านไม่เรียกใครมาช่วยนะถ้าเป็นงานที่ท่านพอทำได้นะท่านทำเองทั้งหมดแหละนะจะรด น, น้ำต้นไม้จะปลูกต้นไม้จะขุดดินนะจำได้เลยปีสี่สี่เนี่ยถมพื้นที่สราสราหน้าวัดป่าสุกโตนะยกพื้นยกพื้นสราขึ้น สั่งดินมาถมนะท่านก็โกยดินนะเกี่ยดินของท่านเองก็จะเห็นภาพแบบนีนนะ้เห็นเห็นภาพที่ท่านที่ท่านทำนะส่วนใหญ่ตมาเองก็อยู่กับอยู่ที่สุกโ ต, โตนะก็าอาศัยกันสังเกตเอาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถามครูบาอาจารย์กนะ็ฟังธรรมจากท่านนะทุกวันทุกวันก็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 สังเกตจา ก, การกระทําของท่านนะรู้สึกว่ามันมันเป็นในที่มันชัดเจนมากอย่างความรู้สึกของของกระผมเ อ, อตมาเองเนะี่ยรู้สึกชัดเจนมากหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นสั ม, มณะจริงๆรนะส ม, มณะที่แปลว่าผู้ผู้มักน้อยผู้สันโดษหลวงพ่อใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสันโดษมากนะ แต่ยินเรื่องเราบางทีหลวงพ่อนอนใต้ต้นไม้เนาะกุฏิไม่ค่อยอยู่อยู่ซาลาบ้างนอนใต้ต้นไม้บ้างนะหรือนอนตามเรียว่าเล้าไก่ก็เคยนอนได้ยินตรงซาลาไก่ไมีเล้าไก่บางทีหลวงพ่อไปนอนใต้เล้าไก่นะใต้กอไผ่ก็มีอมืหรือจําได้ดีเลยตอนปีสี่สามที่เห็นหลวงพ่อนานๆหน่อยตอน ช่วงเดินธรรมญาตาครั้งที่หนึ่งหลวงพ่อก็ไปร่วมธรรมญาตาด้วยก็ดูสังเกตหลวงพ่อนอนที่ไหนนอไม่เห็นหลวงพากางกดกลางเต็นอะไรหลวงพ่อนอนอยูนบนรถครับเจ็ดวันแปดวันน่ะนอนบนรถอีสุสุสีขาวที่อยู่วัดผู่ขะทองนี่แหละนะนอนอยู่บนรถเปิดหน้าต่างนิดนึงนะเอาผ้าคล้ายๆมุ้งมาบังตรงหน้าต่าง ท่านนอนแบบนี้อยู่ยงนรถโอ้ทำไมกัวพ่อนอนง่ายจัง<ๆ>ก็คิดอยู่นะท่านใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะกินก็ง่ายๆนอนก็ง่ายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมาการู้สึกความเป็นสมณะความสมถะความสันโดษของท่านเนี่ยมันชัดเจนมากแต่ในความง่ายของท่านนะ่ะไม่เห็นความงามนะเห็นความงามในกิริยาของท่านเนะี่ย สังเกตได้ถ้าใครเห็นหลวงพ่อขณะที่เดินเนี่ยเดินแบบเดินแบบช้างเดินแบบมั่นคงนะเดินแบบมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็เดินแบบสงบไม่รีบร้อนนะไม่รีบไม่เร่งนะแล้วก็มั่นคงนะสังเกตได้จากการทำงานก็ดีหลวงพ่อทำอะไรก็จังหวะมันพอดีพอดีนะจะขุด ดินก็จังหวะพอดีนะจะเรื่อยไม้จะทำอะไรก็พอดีรู้สึกมันพอดีพอดีโอ้รู้สึกมันงามงามในกิริยาของท่านนะในความเรียบง่ายก็ดีในความงดงามก็ดีเราเห็นความสงบนะความสงบนะในใจของท่านนะท่านทำไปไม่ได้รีบร้อนแล้วก็สงบนะหรือว่าในสถา น, านการณ์ที่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 ซับผ้ากวาดกุฏิทำอะไรต่างท่านทำเองแทบทั้งหมดแต่ตอนที่ท่านป่วยก็ตั้งแต่ปีสี่เก้าตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกก็ตัวของผมอาตมาเองก็ทราบข่าวช้าตลังจาท่านเข้าโรงพยาบาล น, นักษาให้คีโมมาร่วมสองสาเดือนละถึงทราบข่าวทีหลังตอนนั้นไปทุดงอยู่ก็ ไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้ติดต่อใครนะมีทัางหนึ่งก็ติดต่อกลับไปที่บ้านโยมแม่ก็เลยบอกว่าของพ่อป่วยหนะักอยู่ไอซีูนะแต่จริงไอซีูนะออกมาแล้วแต่ข่าวของโยมแม่ตกข่าวสักหน่อยนะช้าของพ่อออกมารักษาตัวอยู่ข้างนอกกำลังให้คีโมอยูข่ขขอโทรกลับมาถามโยมหมูโดือจานตุ่มเนะี่ยก็จำไม่ได้นะก็ถามอาการของห้อพ่อดูลเออ ดูถ้าทางจะคนดูแลคงเหนื่อยคือเราก็คิดถึงว่าหลวงพ่อก็ฟังแล้วหลวงพ่อก็ดีขึ้นบ้างแล้วแต่ท้าทางคนดูแลคงเหนื่อยเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่ผู้ป่วยนะหลวงพ่อเองมีคนรู้จักเยอะต้องรับแชกต้องอธิบายอาการต้องทำนั่นทำนี่หลายอย่างตอนนั้นอาจารย์ตุ้มอยู่คนเดียว ยมูก็ช่วยเรื่องอย่างอื่นนะที่เป็นจิปะทะภายนอกนะก็อยู่กันสองคนก็เลยเออเราก็กลับมาดีวกว่าไปทุดงสี่ห้าหกเดือนละนะกลับมาดูแลหลวงพ่อดีวกว่าถ้าไม่ดูข่าวก็คงทุดงต่อยาวแต่ถ้าดูข่าว ก, ก็เลยต้องกลับมาก็ได้ดูแลหลวงพ่อตั้งปีสนะี่เก้าจนกระทั่งท่า น, ท, านท่านหายป่วยนะเป็นปกติอ่านะ เขาได้เห็นอาการตรงนั้นใกล้คิดอยู่แต่ในปีห้าเจ็ดนี้เนาะในปีนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่สมะเองก็ไปทุดงอีกเหมือนกันแหะนะทุดงนะแต่ก็ได้ข่าวจากพ่อจันตุ้มนะว่าหลองพ่ออาการไม่ค่อยดีนะคืน อ, อาหารลำบากนะคืนน้ำลำบากเฮ้เราก็ยังคิดว่าตอนเดินธรรมยาตาปีที่แล้วหลงพ่อยังไม่ร่วมกับพวกเรา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 คืนอาหารไม่ได้น่ะสอดท่อใส่ทางจมูกน่ะวันที่สี่กุมภานเนี่ยหลวงพ่อสอดสอดท่อทางจมูกใส่ซ้ายอาหารไม่สามารถจะคืนน้ํำคืนอาหารได้แล้วก็เลยตัดสินใจลงมานะดูหลองพ่อช่วยกับอาจารย์ตุ้มกับยอหมูน่ะที่โรงพยาบาลจุฬานผลการวินิจฉัยโรคก็อย่างที่พวกเราทราบกันว่าท่านก็เป็นมาเด่งเนาะแล้วก็ ในตรงที่โรงพยาบาลจุฬาเองก็แนะนําในการรักษาก็คือการฉายแสงนะอันนี้อาจจะเล่าอาการคร่าวๆเลยนะเนาะเผื่อบางคนไม่ทราบอาการอาภาษของหลวงพ่อเนาะก็หมอก็ประชุมกันว่าจะฉายแสงให้กับหลวงพ่อนะคิดว่าถ้าฉายแสงถึงประมาณสามสิบห้าครั้งเนี่ยน่าจะหายแต่ถ้าไม่สามารถฉายแสงได้ขนาดนั้นคงคงไม่หายขาด แต่ก็น่าจะทำให้ก้อนมันชะลอตัวหรือว่ามันไม่ขยายตัวได้ก็พิจารณากันข้อดีข้อเสียถึงผลที่ได้รับหรือว่าถึงอาการที่ข้างเทียงที่จะเกิดขึ้นก็สะดุปกันว่าเออมันมีทางเลือกเดียวผ่าตัดก็ไม่ได้คีโมก็ไม่ได้ก็ฉายแสงแล้วกันก็ฉายแสงแต่ปรากฏว่าฉายประมาณปลายเดือน คุมพานแะล้วก็ฉายแสงก็แตฉายแค่สี่ครั้งหลวงพ่อก็หายใจไม่ค่อยสะดวกวันนั้นเสาร์อาทิตย์นั้นหลวงพ่อออกขอออกมาพักที่มูลนิธิหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่อท่านก็อยู่โรงพยาบาลจุฬาเนาะหมอถามว่าอยู่โรงพยาบาลจุฬาขาดเดือยอไหมอะไรไหมหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกขาดต้นไม้ขาดอากาศบริสุทธ์เนะี่ย อยากขอมาอพักข้างนอกได้สักสองสวันได้ไหมก่อนไปฉายแสงนะอืหลวงพ่อก็ขอมาพักที่มูนิทีหลวงพ่อเทียนแต่ปรากฏว่า เ, เสียงหลวงพ่อเริ่มเปลี่ยนไปในวันเสาร์การหายใจหลวงพ่อเริ่มผิดปกติในวันอาทิตย์นะพอกลับมาโรงพยาบาลในวันจันทร์หมอก็เลยตรวจยกใหญ่เลยสองกล้องไปดูอีกทีปรากฏว่าดอดดมนะดอดดม ที่เป็นส่วนในการหายใจมันโดนเบียดนะถ้าเราคิดถึงแบบดอาาดอาหารดอดกาแฟที่เราดูดนะเนาะแล้วมันดอดมันเล็กๆลงมาเนี่ยมันจะดูดยากนะการหายใจตอนนั้นก็เหมือนกันมันโดนโดนก้อนเนื้อเบียดอาจจะโดนก้อนเนื้อเบียดหรือว่าเกิดจากการอักเสบจากการฉายแสงก็ดีนั่นแหละทาให้หายใจไม่ได้หายใจลาบากไม่ขึ้ไม่ได้หรอกหายใจลาบากเอาอยัางไงดีอะ หมอก็แนะนำว่าให้เจาะค อ, อแต่หลวงพ่อเองอ่ะอาจจะมีมีเรียกว่ามีภาพที่ติดตาหน่อยกับคนที่เจาะค อ, อเพราะว่าอุปชาของหลวงพ่อคือเจ้าคุณสีนาฏจังหวัดเลยนะท่านก็เจาะค อ, อท่านไม่สบายเจาะคอท่านก็เลาให้ฟังว่าเจ้าคุณสีนาฏเนี่ยมีวันหนึ่งท่านก็คล้ายๆอืมก็าพลาดนานแล้วก็พลาด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 สามวันเจ็ดวันเนี่ก็ไม่ดูนะก็พยากรยากแต่ถ้าไม่เจาะคอเนี่ยตอนนั้นอนะไปไม่เกินภายในเจ็ดวันนะหมอว่าประมาณนั้นนะอาจจะสามวันก็ได้หรืออาจจะวันสองวันก็ได้เพราะหายใจไม่ได้ก็เลยหมอก็เสนอว่าหมวพ่อคุณที่จะเจาะคอแต่หมอก็ไม่บังคับนะนะหมอว่าถ้าไม่ถ้าเจาะคอมันก็มีข้อเสียก็คืออาจจะพูดไม่ได้นะอะนะ หลวงพ่อจะเลือกแบบไหนเลือกการหายใจหรือการพูดเลยนะหลวงพ่อก็ถามความเห็นพวกเรามีมีตมามีอาจารย์ตุม้มมียมหมูแล้วก็คุณหมอนะที่อยู่ตรงนั้นกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามความเห็นพวกเราว่ายังไงพวกเราก็ว่าก็ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจอะคอหลวงพ่อก็ก็หายใจไม่ได้นะถ้าหลวงพ่อไปในตอนนั้นลูกสิ์ลูกหา ที่เหลือนะเขาอาจจะยังทําใจไม่ได้นะอันนี้เอ็มมาก็พูดกับหลวงพ่ อ, อยังงั้นนะเพราะว่าดูท่าทีหลวงพ่อตอนนั้นก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะเจาะคอเท่าไหร่นะแต่ก็คิดว่าถ้าไม่กล่าวกับหลวงพ่อทีนี้บาง ท, ทีก็อยากให้หลวงพ่อคิดถึงคนอื่นที่เขาไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกับอาการอาภาษหรือการจากไปของหลวงพ่ออย่างรวดเร็วเนอะอืมก็ก็กล่าวเช่นนั้นแต่ก็เป็น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 แทบไม่ได้หยุดนะเห็นด้างกายของพ่อเหนื่อยเพราะว่าพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในที่คอนมันไอมากไอเพื่อขับเสมหะนะทิชชู่นี่เช็ดวันหนึ่งนี่หลายกล่องเลยนะเพื่อเช็ดเสมหะออกมาดีดีแต่ว่าไม่ต้องทักชั่นก็คือการดูดเสมหะออกแบบนั้นนะเคยทำอยู่บ้างสามสี่ครั้งเห็นได้ว่าพทีักชั่นครั้งหนึ่งนี่หลพอไอทีเป็นครึ่งชั่วโมง เห็นอาการเหนื่อยเห็นการทุกข์ของของรูกประคันหลองพ่อนี่เป็นอย่างมากแต่ท่านก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้บ่นอะไรนะท่านก็ทำไปแล้วก็ยอมรับมันก็ดูแลมันอย่างดีที่สุดนะพอคิดว่า อ, อร่างกายก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วเจอะคอก็ไม่ไหวนะทำไงดีคงรักษาไม่ได้แล้วมั้ง หลวงพ่อก็ตัดสินใจที่เออไม่ต้องฉายแสงหรอกกลับมาอยู่ที่วัดของเราดีกว่านะหลวงพ่อคิดถึงวัดผูกอทองมากนะอนะอยากมานอนที่วัดผูกอทองนะอยากมาดูต้นนิโคดนะอยากมาดูศาลาน้ําใสนะอยากมาให้ญาติโยมนะชาวบ้านได้เห็นท่านบ้างนะหมายว่าเป็นความผูกพันนะแต่ไม่ใช่การยึดติดนะ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 คุณหมอเองก็เต็มที่ทั้งหมอแพงปัจจุบันทั้งหมอทางเลือกนะญาติโยมเองก็เต็มที่หายานะเห็นในญาติโยมหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลู ก, ลกหลานของพ่อหายาที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะมาให้หลวงพ่อยาแพงขนาดไหนอาหารเสริมดีขนาดไหนก็นาห า, หามาให้หลวงพ่อหรือบางคนก็อุปถากนะช่วยงาน น, น, นั่นนี่ให้กับหลวงพ่อ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 ไม่สร้างความลําบากให้กับผู้ดูแลหลวงพ่อเป็นพิุเป็นพิสุอาพาตที่เรียกว่าถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือไม่สร้างไม่สร้างเ ร, าเรียกว่าไม่ทําให้ผู้ดูแลอลําบากนะท่านดูแลตัวเองได้ดีท่านแต่การป่วยครั้งนี้ท่านอาจจะดูแล้มั้งว่าน่าจะเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายของท่านนะมีการนัดษาวิธีไหน ท่านก็ยอมรับนะแต่ท่านก็จะบอกเตือนพวกเราว่าอย่าหวังมากเกินไปนะท่านบอกว่าออตายแน่แน่และนะจะรักษายัางไงก็ตายแน่แน่นะแต่ถ้าพวกเราเห็นดีว่าการรักษาแบบนี้น่าจะดีแม้ไม่หายแต่ ก, ก็น่าดีท่านก็ยอมนะนะยอมให้รักษายอมให้ฉีดยายอมให้กินยาสารพัดมากมายนะท่านก็ยอมอนุเคราะห์เมตตาพวกเรานะ แต่ท่านแม้เหนื่อยร้าขนาดไหนนะแต่ทุกเช้าท่านก็ยังบริหารร่างกายนะเหนื่อยมันก็เห็นนะตอนนอนเนี่ยท่านนอนบางทีนอนตกลงไลแต่ตื่นขึ้นมาเขาพยายามบริหารตัวเองให้แข็งแรงขึ้ น, นบริหารปอดนะให้หายใจลึกๆหายใจออกย า, ยาวๆหมอบอกว่าปอดจะได้ไม่ติดเชื้อนะท่านก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะ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 อาการเกิดดับของนามารูปถ้าใครเห็นอาการเกิดดับของนามารูปเนี่ยมันจะไ ม, ม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลุกสิษิ์หลวงพ่อเทียนถ้าทําได้เช่นนี้ยชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนจริงๆนะมันก็เชื่อว่าหลวงพ่อเขมเขียนน่ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนจริงๆองค์หนึ่งนะถ้าเห็นอาการเช่นนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในตรงนี้น่ะท่านแสดงให้เราเห็น ผ่านการที่ท่านป่วยหนักๆก็ะยิ่งเห็นชัดเลยเจ็ดแปดเดือนที่ท่านป่วยนะท่านแสดงให้เห็นชัดเจนมากโดยเฉพา ะ, ะวันสุดท้ายข่อที่ท่านจะรักสังขารเนี่ยอาการเจ็บป่วยของท่านนะแต่ท่านก็ยังดำรงสติสัมปชัญญะได้ในเรียกว่าทุกอิเดียบทในขณะที่นอนป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างเช่นในคืนสุดท้ายเนี่ย นะท่านก็นอนนอนป่วยนะนอนให้ออกซิเจนตั้งแต่สี่ทุ่มจนะทั่งถึงตีสนีะ่นอนตะแคงด้านเดียวนะตะแคงซ้ายตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสนีะ่ท่านก็กดจิงเรียกเรียกเราให้ถ้าจะพลิกตัวทั้งขวาให้พวกเราไปดูออกซิเจนดูสายออกซิเจนว่ามันจะบิดมันจะดุดหรือเปล่านะเราก็ไปช่วยจับดู ปรากฏว่าพอช่วงตีสี่ปรากฏว่าเห็นท่อท่อหายใจมันถูกก้อนเนื้อน่ะก้อนเนื้อมันดันออกมาครึ่งหนึ่งได้ไม่ได้ดุดนะดันออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็บิดเบี้ยวไปทางทางขวาเออเราก็เห็นว่าก้อนเนื้อมันโตเด็วเนาะเพราะว่าที่จริงตอนเย็นน่ะอาตมาเองยังรัดแน่นเลยนะสอดนิ้วเข้าไปได้แค่สองนิ้วนะอาตมาแน่น สายที่รัดก็ไม่ใช่เป็นสายยืดยุนตอนเที่ยงคืนก็ยังสังเกตด้วยมันก็ไม่ดันออกมามากดันออกมานิดหน่อยแต่ตอนตีสี่ทำไมมันดันออกมาเยอะขนาดนี้คอฟดีอาจารย์ตุ่มก็กลับมาจากกรุงเทพซะดีท่านไปกรุงเทพกลับมาไม่นานนักนะแล้วก็มีท่านอันอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันก็ได้สามคนช่วยกันในตอนต้นช่วยกันบอกท่านอันไปบทยาเด็กซ่ามา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 หาเด็กซ้ามาฉีดอีกนะเขาได้กะว่าจะฉีดเข้าเส้นเลือดนะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเพราะว่าเส้นเลือดของพ่อเองค่อนข้างเปาะแล้วก็หาเส้นยากฉีดเข้าก้นเหมือนเดิมดีกว่านะฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็อฉีดจนเรียกว่าปริมาณยาหนี่สูงสู ง, สงในพิกัดที่หมอบอกว่าเป็นโดสที่สูงแล้วก็ฉีดแค่นั้นก็พอแล้วก็คิดว่ารอไปสักพักเนี่ยข้อเนื้อมันจะยุบลงไป เราจะได้รัดสายเข้าดันเข้าไปนะให้มันมากขึ้นนะมันจะได้ไม่ดูดออกมาอีกแต่หลวงพ่อเองก็ยังเริ่มหายใจแบบกระสับกระส่ายนิดหนึ่งคิดว่าก้อนเนื้อมันคงไปคนกวนตรงปลายท่อนะปลายท่อถ้าเราคิดถึงเหมือนเราเคยดูดดูดเฉากล้วยไหมในน้ํำนะบางทีตอนที่เราดูดน้ํำแล้วถ้าปลายมันไปติดเนื้อเฉากลวยอมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ คิดประการหายใจของพ่อคงลําบากแบบนั้นมันคงมีก้อนเนื้ออยู่ด้านล่างทําให้การหายใจลาบากนะมันดันออกมานะแต่หลงเพ่อก็ยังประคองประคองอาการต่างๆของท่านได้บ้างเจนทัน้งท่านรู้สึกเออดีระดับหนึ่งนะก็ท่านก็ขอเข้าห้องน้ํานำะขอไปถ่ายอุจจาระนะถ้าสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้เองนะเดินเข้าไปเอง อาจมาเองก็แค่แบบประคองแบบแคล้ายๆท่านจะเซีหรือเปล่าก็าแค่ประคองเฉยๆไม่ได้ไปจับท่านนะก็แค่ประคองดูท่านก็จับราวเดินเข้าไปเองท่านอันจันตุ้มตอนนั้นก็มีท่านอัจฉราเข้ามาช่วยแล้วก็จูงลากสายออกซิเจนเข้าไปในห้องน้าเครื่องออกซิเจนเข้าไปในห้องน้านะตัวตมาเองตัวผมเองก็นั่งในห้องน้ากับหลวงพ่อเนะ่ดูท่านถ่าย ไมได่ดูที่ข้างล่างดูที่ข้างบนก็เห็นเอ้ยท่านก็หายใจเสียงดังนะเสียงดังหายใจอยูนะคืดค่าคืดค่าเสียงดังแต่สังเกตหน้าตาท่านนะนิ่งมากหน้าตาท่านไม่ได้แสดงอาการแบบกระวนกระวายทุกใจหน้าที่ตอนนั้นคือ ถ่ายอุจจระไม่ใช่มากงังวลเรื่องหายใจไม่ได้ท่านก็หายใจแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายอุจจระใช้สายชำระฉีดล้างก็ทำเองนะทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยเราก็แค่ดูอาการจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ่ายเสร็จล้างล้าล้ ง, ง, ง, งคนเสร็จนะท่านก็มามาล้างมือ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 มันก็อาจจะมีส่วนทำให้มันดั น, นดันท่อออกไปสักสักสักหน่อยพอสมควรนะเราพยายามจะเอาสายเข้าสักหน่อยก็เข้าไม่เคยได้เรนะาจะมาเองมีคนดันเองแหละนะเป็นคนดันสายเป็นคนดันท่อบ้างอาจารย์ตุ้มเป็นคนเจานะออกซิเจนท่านอันท่านอา จ, จารย์ดาก็ดูถังออกซิเจนใหม่ก็มาช่วยมาเตรียมเตรียมพร้อมนะมีโยมนิดก็มาทำความสะอาด เก็บนั้นเก็บนี้ด้วยมีแม่ชีเมี้ยวฉือนนะก็มาด้วยแต่มาก็บอกแม่ชีเมี้ยวฉือนถ้าอาจารย์พิสารทำวัดเสร็จเมื่อไหร่เตินผ่านมานะเรียกอาจารย์เข้ามาหนนะ่อยนะดูอาการไม่ค่อยดีละอ่ะก็เมี้ยวชื้ก็เขช่วยดูกันตอ น, น, นก็มีหกคนที่ช่วยดูกันโทรติดต่อคนอื่นบ้างแต่ก็ติดต่อไม่ได้นอนะก็ไม่คิดว่าช่วงตรงนั้น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 แต่มันไม่สามารถจะดันเข้าไปได้อีกนะท่านก็หายใจลำบากหน่อยแล้วก็ให้ออกซิเจนพ่นยาแล้วก็ไม่ไดนะ้ก็บอกท่านอันโทรถามถามหมอว่าจะให้ยาเพิ่มอีกได้เปล่านะขนาดนั้นเองท่านก็ขอขอกระดาษขอปากกานะมาเขียนนะขอมาเขียนท่านก็เขียนไปตัวสรรมาเองอยู่บนหัว ตำแหน uhm, coffee, ano, ่งที oa, ่มองว่าท่านเขียนว่าอะไรอ่านไม่ค่อยออกอ่านได้แต่บรรทัดสุดท้ายว่าตายแต่สองบรรทัดก่อนนั้นอ่านไม่ค่อยออกเหมือนคล้ายๆครับคายครับคายครับคาว่าพวกเราอะไรนะแล้วก็บรรทัดที่สองอ่านไม่ค่อยชัดแล้วบรรทัดสุดท้ายอ่านว่าตายสองพ่อเขียนไรก็ไม่รูนะไม่ต้องสนใจหรอกช่วยสองพ่อกันก่อนเถอะนะก็บอกกันนะก็ช่วยสองพ่อกันก่อน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 คิว่าท่านไหว้ขอบคุณพวกเรานะชีว่ท่านดีขึ้นพอตรงควรถึงเขียนได้ก็ไห ว, ว้ขอบคุณพวกเราแต่หาดูไม่ว่าเป็นการไหว้สังรานะเพราะว่าในจดหมายที่ท่านเขียนฉบับสุดท้ายอนะท่านเขียนท่านเขียนแบบนี้นะท่านเขียนว่าพวกเรานะอันนี้บรนทัดแรกพวกเรานะมันทัศที่สองขอให้หลวงพ่อนะบรนทัดที่สามตายนะ คล้ายๆ ค, ความหมายก็คกประมาณว่า่ขอให้หลวงพ่อตายเถินเนาะพวกเราช่วยหลวงพ่อเต็มที่แล้วนะธาตุขันของหลวงพ่อคงเกินการเยียวยารักษาแล้วละ่ะพอได้แล้วพอสมควรได้แล้วน่าจะความหมายประมาณนี้นะแต่หลวงพ่อก็เขียนสั้นๆนะประมาณอาพวกเรานะขอให้หลวงพ่อตายนะประมาณนั้นก็ไม่คิดว่าเป็นการเขียนลาครั้งสุดท้ายนะ เพราะบางทีบางคืนหลวงพอก็เคยกล่าวเช่นนี้นะเคยกล่าวไม่รู้จะพ้นคืนนี้หรือเปล่าอาจจะตายคืนนี้ก็ได้นะแต่การเขียนตรงนี้ก็เป็นการเขียนที่ว่าเขียนอย่างผู้ที่มีสติเต็มที่คือท่านรู้ว่าธาตุขันธ์ของท่านเกินการรักษาแล้วมั้งาการที่อุจจาระมันจะออกมาทั้งมันคงอยากจ ะ, ะบายธาตุขันธ์คงใกล้จะแตกดับแต่ท่านก็ยังมีสติประคองกายนะ พากายไปชำะระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายได้กลับมาก็มาเขียนหนังสือมาลาพวกเราได้จะมาไหว้สั่งลาไหว้ขอบคุณพวกเราด้วยพวกเราเองแหละที่ไม่ทันได้เอจใจว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการที่ท่านได้สื่อสารกับเราพอหลังจากนั้นท่านก็นอน พ, พักหนึ่งก็คอตกพับลงไปที่คล้ายๆ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 ฟังครั้งที่สองก็ไม่ได้ยินนะคงแน่ใจแล้วแหละว่าหัวใจของพ่อหยุดเต้นแล้วนะเขอมองหน้ากับอาจารย์ตุ้มกับคนที่อยู่ด้วยกันวนะ่าหัวใจไม่เต้นแล้วเนาะพอแล้วเนาะหลวงพ่อไปแล้วแหละนะเราคงช่วยท่านเต็มที่แล้วแหละท่อเขาเข้าไม่ได้นะหายใจก็ลําบากอท่านก็จากพวกเราไปด้วยอาการที่สงบมากนะ ไม่มีอาการเหมือนเหมือนเหือบหายใจพยายามจะฝืนการหายใจไม่มีอาการทุรนทุรายนะจากไปนิ่งๆเรายังไม่รู้ที่ามา่าท่านจากไปในเวลาเท่าไหร่เพียงแค่อนุมานจากเวลาที่ได้คุยกับหมอที่หมอว่าฉีดยาไม่ได้แล้วนะในตอนนั้นกนะ็น่าจะเป็นเวลาก่อนก่อนห้านเดก า, านะของเช้าวันที่ยี่สิบสามสิงหา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 เจอ้อหรือว่าทุรนทุรายร้องผมร้องไห้อะไรอาวอนในสังขาญอะไรอาวอนในลูกในหลานในทรัพย์สินงธะดึงคารแต่หลวงพ่อไม่มีอาการเช่นนั้นนะท่านจากไปอย่างสงบนะเป็นการจากไปเหมือนกับเหมือนกับเรียกว่าปิดสวิทช์ไฟเบาๆลงนะเหมือนเสียงคล้องเสียงกเสียง แักคคังพอตีลงไปนะ่ก็มันสุดเสียงมันก็ค่อยๆแผ่วค่อยๆสุดของเขาเองในะนการจากไปที่ที่เรียกว่าสวยงามเนาะก็คิดว่าหลายคนเองก็คงไม่อยากให้หลงพ่อจากไปเร็วขนาดนั้นนะแต่เราก็มองว่ามันก็คงถึงเวลาที่สมควรแก่ร่างกายของท่านแล้วเนาะนะถ้าท่านก็รู้ตัวว่าท่านจะจากไปแล้วท่านก็ได้สั่งลาพวกเรานะ อย่างนั้นนะควต้องยอมรับความจริงเนาะก็ อ, อย่างที่พูดเมื่อบานวนะ่าบางทีสังขารที่เป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยยึดไม่ได้นะตัวหลวงพ่อํำเขียนไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเช่นนั้นแต่ถ้าตัวหลวงพ่อํำเขียนจริงๆนะน่าจะเป็นธรรมะนะที่ท่านได้สอนที่ท่านได้ทำให้เราดูนั่นแหละนั่นแหละคือตัวที่เราสามารถพึ่งพาได้นะ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 แต่ท่านคงเทศแบบนี้มาสี่สิบกว่าปีนะแต่ท่านก็ยังไม่เบื่อคำเทศของท่านหรือคนฟังเองก็ไม่เบื่อไม่เต็มอิ่มในคำเทศของท่านฟังเมื่อไรแม้เป็นเนื้อหาคล้ายๆกันน่แหละแต่รู้สึกว่ามันใหม่รู้สึกว่ามันมีรสชาติคล้ายๆเหมือนกับเราทานข้าวอะ่ะเราทานข้าวเราก็ทานข้าวทุกวันนะแต่ทานเมื่อไรมันก็อิ่มก็อร่อย ก็มีคุณค่ารู้สึกว่าธรรมะของพ่อเป็นแบบนั้นเลยเหมือนเราทานข้าวเหมือนเราทานน้าเนี่ยมันไม่เบื่อมันไม่อิ่มมันไม่เต็มทันทีอ่ามันรู้สึกมันมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลานี่สิ่งที่ท่านสอนธรรมะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตพอที่ท่านป่วยามารู้สึกเองนะอะ่จะผิดถูกอย่างไรนะ่ะแล้วแต่ให้พิจารณาเองแต่รู้สึกว่าในครั้งที่ท่านป่วยเนะี่ย ท่านเป็นผู้ที่อิ่มธรรมะนะท่านไม่ขนไหวยหาธรรมะอื่นนอกตัวมาช่วยตัวท่านเองเลยไม่ขนขวายไม่เรียกร้องไม่ยินดียินร้ายจะมีใครมาเยี่ยมหรือไม่ก็ไม่ไม่ได้สนใจนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดับดู้นะคือท่านไม่ได้เรียกร้องขนขวายจะต้องมีธรรมะนั่นนี่มาให้อ่านมาให้ฟังหรือเปล่า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 ได้กินเต็มที่มอนก็ไม่อยากกินแล้วรู้สึกว่าท่านอิ่มในธรรมที่ท่านรู้ที่ท่านมีนะมันอยู่ในตัวอยู่ในใจของท่านไม่ได้คนควายไม่ดิ้นรนอะไรนะอยู่ด้วยตัวด้วยใจของท่านเองตลอดเวลาเลยอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้นะนี่ก็เพียงแค่ได้มาบอกเล่านะให้พวกเราได้ฟังบ้างนะแต่ก็ถือว่าตัวเองก็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 นะให้อยู่ในเนื้อในตัวในใจของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะเขาคิดว่าการณสังขารของหลงพ่อเองก็ไม่ใช่เป็นการนะที่เราต้องรนะ้องไห้เสียใจอะไรเนาะแต่ให้เรายอมรับความจริงว่าเป็นเช่นนั้นนะหรือบางทีก็ต้องอนุโมทนาหรือบางทีก็ต้องคอยเรียกว่า เข้าใจเนาะว่าสังขารที่เป็นรูปของท่านมันทุกข์จริงจรนะิงท่านได้ละทุกข์ของรูปไปได้เนี่ยก็เหมือนก็สบายสบายกายไประดับหนึ่งนะเพราะที่ยิงทุกข์ทางใจของท่านคงละได้นานแล้วนะพวกเราเองนั่นแหละยังอยู่กับรูปที่ทุกข์อยู่หรือบางทีก็ยังอยู่ในนามที่มันยังทุกข์อยู่ยังหลงอยู่เราจะทำยังไงให้ใจเราละ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดเกิดขึ้นจากความหลงของเราได้เนี่น่าจะเป็นกิจของเราเนาะที่จะได้สืบสืบสารต่อสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไวน้เพื่อที่จะได้อยู่กับกายที่ต่อไปมันก็นทุกข์กว่านี้นะะมันต้องเจ็บกว่านี้มันต้องแก่กว่านี้พอสุดท้ายมันต้องแตกดับตายไปเราจะอยากตายแบบหลวงพ่อไหมตายแบบสงบ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 เจ็บปวดนะฝึกทุกน่ะมิถติเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆอันนี้แหละคือคําสั่งสอนของหลวงพ่อที่ที่กระผมหรืออาจจะมาไ ด, ได้ได้เรียนรู้ได้สัมผัสนะก็เชื่อว่าพวกเราหลายคนหลายท่านก็คงได้สัมผัสน ะ, น ะ, นะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะก็ขอให้พวกเราทุกท่านนั่ได้ ได้เดินตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อคำเขียนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกทั่งสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะ